เมื่อถึงจุดที่คิดไม่ดีได้เสมอๆความเคยชินที่จะคิดไม่ดีนั้นจะกลายเป็นศัตรูภายในรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์ไม่เลิกความคิดไม่ดีทำให้รู้สึกไม่ดีหรือความรู้สึกไม่ดีก่ให้เกิดความคิดไม่ดีโจทย์ข้อนี้เมื่อได้คาตอบจากใจตัวเอง ก็เป็นแนวทางที่เห็นคนไกการทำงานของจิตได้ดีขึ้นเกิดทิศทางเจริญสติได้ตรงขึ้นไม่ต้องอ้อมค้อมหรือวกวนอยู่กับความทรมานใจที่คิดไม่ดีอยู่เรื่อยเอามตัวเองไม่ได้เอาความคิดไม่อยู่ให้เริ่มตั้งต้นมองจากจิตใจที่ว่างเปล่าบุคคลคนหนึ่งต้องได้รับสัมผัสกระทบผ่านกายผ่านหูตา จิต ท, ที่ว่างเปล่านั้นจึงรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์หรือรู้สึกสบายเป็นสุขถ้าเกิดทุกข์ก็จะคิดในทางไม่ดีก่อนและหากความคิดไม่ดีนั้นได้มาตั้งอยู่บนฐานจิต ท, ที่เป็นอกุศลเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะต่อยอดเป็นความคิดไม่ดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงจุดที่คิดไม่ดีได้เสมอเสมอ เป็นความเคยชินที่จะคิดไม่ดีความคิดไม่ดีนั้นก็จะกลายเป็นศัตรูภายในรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์ไม่เลิกแต่ถ้าความคิดไม่ดีอันเดียวกันได้มาตั้งอยู่บนฐานจิตที่เป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะถูกหักล้างหรือเจือจางลงทุกทีซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงจุดที่คิดเกิดมุมมอง ด, ดีเมื่อคิดไม่ดีได้ทุกครั้งความคิดไม่ดีเดิม ก็จะกลายเป็นบอ่อเกิดของกัลยาณมิตรภายในพัฒนาจิตใจของคุณให้เป็นสุขขึ้นเรื่อยเืความเป็นสมาธิแบบพุทธที่จะจัดการกับความคิดไม่ดีคือเมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นให้มีสติรู้และยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นเช่นที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อราคะโทสะโมหะ มีอยู่ในจิตก็ให้รู้ว่าพวกมันมีอยู่ในจิตท่านไม่ได้สอนให้ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในจิตท่านไม่ได้สอนให้ทรมานใจไปกับมันการยอมรับตามที่มันเกิดจะทำให้เกิดสติรู้ตามจริงว่ามีสภาวะอกุศลอยู่ในจิตสตินั่นเองจะมาแทนที่อกุศลธรรมประดุดความสว่างขับไล่ความมืด สิ่งที่จะรู้สึกตามมาคือเห็นว่าภาวะอากุศล น, นั้นเป็นของจรมาไม่ใช่สมบัติดั้งเดิมของคุณและไม่ใช่ตัวคุณอย่างที่ทึกทักมาแต่ไหนแต่ไรยิ่งเห็นบ่อยยิ่งกระจ่างชัดยิ่งหลุดจากอุปาทานยึดไว้เป็นตัวคุณยิ่งหลุดจากอุปาทานยึดมั่นสำคัญผิดก็ยิ่งสว่างรู้แบบพุทธหยุดศัตรูภายในไม่ให้กาเริบต่อได้